เราสั่งสอนสหายเหล่านั้นในกุศลรธรรมและอกุศลธรรมว่าท่านทั้งหลายจงเว้นจากบา ป, ปกรรมจงตั้งอยู่ในกรรมอันงามก็คือให้ละบาปและอกุศลกันแล้วก็พากันสมาทานประพฤติอยู่ในกุศลธรรมนะก็เป็นท่านเป็นบัณฑิตจริงๆนะที่เรียกว่าสาะสะบัณฑิต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 เรานอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ทักษินายะบุคคลว่าถ้าเราพึงได้ทักขินายะบุคคลเราจะให้อะไรเป็นทานนะถ้ามีนาบุญเอาอะไรทำบุญดีนะเหมอกกนงาถั่วเขียวถั่วเหลืองข้าวสารและเปลี่ยงของเราก็าไม่มีเราเลี้ยงชีวิตด้วยยาแต่เราก็ไม่อาจจะให้ยาเป็นทานได้ ถ้าทักขินายะบุคคลมาสักท่านหนึ่งเพื่อขอในสำนักของเราเราก็พึงให้ตนของตนแก่ทักขินายะบุคคลเราจะไม่ให้ทักขินายะบุคคลไปมือเปล่านนี่คิ ด, ดูนะกะตายนี่คิดจะให้ร่างกายแก่ตัวอของตัวเองเนี่เป็นทานเพราะไม่ต้องการให้ทักขินายะบุคคลผู้ที่เป็นนาบุตรนี้เที่ยวกลับไปมือเปล่า เท้าส ก, กะทรงทราบความลำเลดของเราแล้วแปลงเพศเป็นพราหมเสด็จเข้าเข้ามายังสำนักของเราเพื่อทรงทดลองทานของเราเราเห็นพราหมนั้นแล้วก็ยินดีได้กล่าวคำนี้ว่าท่านมาถึงในสำนักของเราเพราะเหตุแห่งอาหารเป็นการดีแลวันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐ ท, ที่ใครๆไม่เคยให้แก่ท่าน mm. คือพูดถึงตัวทั่วไปเนี่ยนะ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 ท, ท่านก็เลยบอกว่าวันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆไม่เคยให้แก่ท่านท่านผู้ประกอบด้วยสีละคณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่านท่านจงไปนาเอาไม้ต่างๆมาก่อไฟขึ้นเราจะปิ้งตัวของเราท่านจะได้กินเนื้อที่สุกเือนเดี๋ยวจะกระโดดเข้ากองไฟให้เป็นทานแก่ท่าน พรามนั้นรับคําแล้วก็มีใจร่าเริงนําเอาไม้ต่างๆมาทําเป็นเชิงตะกรใหญ่นนที่เผาศพเขาเรียกเชิงตะกรอนะแต่นี้เขาเรียกว่าเป็นที่ปิ้งกระต่ายอย่างนั้นกระทาให้เป็นห้องอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงก่อไฟลุกโพลงขึ้นณนะที่นั้นทันทีเหมือ น, อ น, น, นไฟนั้นก็กลายเป็นไฟกองใหญ่เราสลัดตัวอันมีทุลีแล้วสลัดตัวด้วยคิดว่าไอพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เกาะอยู่ตามคนเนี่ย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 ย่อมให้ความยินดีและปีติฉันใดในการเมื่อเราเข้าไปยังไฟที่ลุกโผลงก็ฉันนั้นเหมือนกันความกระวนกระวายทั้งปวงย่อมระงับดำลงในน้ําเย็นฉะนั้นเราได้ให้แล้วซึ่งกายทั้งสิ้นโดยไม่เหลือได้ให้อะไรบ้างให้ขนให้หนังให้เนื้อเอ็นกระดูกและชิ้นเนื้อห่าไทยแก่พราหมณ์ชนนี้แหละ แต่ว่าก็ไม่ได้ตายอะไรจริงๆรหรอกเนะนะเพราะว่าไฟนั้นเป็นไฟเนรมิตขึ้นเนี่ยนะเพื่อที่จะทดลองว่าสละได้จริงไหมซึ่งก็เป็นการสละจริงๆถ้าเป็นไฟจริงไฟแท้ท่านก็ตายก็ความในอัตตกถาเจริยาปิฎกสะสะบันฑิเจริยาที่10กล่าวถึงพระองค์ตอนที่เที่ยวสแสวงหาภูธิยา น, นะนะบทว่าสะสะโกความว่าดูก่อนสาริบุตร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 มองออกว่าจะเจริญกุศลในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเป็นต้นอันท่านจึงเป็นผู้ที่เรียกว่านักสแสวงบุญก็ไม่ผิดเนี่ยนะเป็นผู้ที่สแสวงหาบุญว่าจะเจริญบุญเจริญกุศลจากสถานที่ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆเวลาต่างเป็นต้นได้อย่างไรถึงตัวเองจะอยู่ในสถานะใดก็พร้อมที่จะสแสวงบุญแต่ที่เป็นอย่า ง, งานั้นก็เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มี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 ถ้าไม่มีบุญไม่มีปัญญาจะเพิ่มภูนให้คนอื่นมีอริยทรัพย์ได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่สแสวงหาทั้งโภกทรัพย์และอริยทรัพย์ให้แกสัตว์ทั้งหลายน้อมไปว่าทําอย่างไรตัวเองและสัตว์อื่นจะเจริญด้วยโภกทรัพย์และจะเจริญด้วยอริยทรัพย์จะช่วยเพิ่มภูนอริยทรัพย์ให้แก่สัตว์อื่นได้อย่างไรพันถ้าหากว่าไม่มีบุญพอ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 ญญทีนี้ท่านมีทั้งบุญและมีทั้งปัญญาหรือมีทั้งอํานาจมีทั้งปัญญาพระองค์จึงสามารถช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของสัตว์อื่นได้พั้นกว่าจะถึงวันนั้นจะทำอย่างไรกว่าจะถึงวันนั้นก็สแสวงบุญและสแสวงหาปัญญาอยู่เสมอเนี่ยนะเพิ่มภูนบุญเพิ่มภูนปัญญาก็อย่างว่าสมมุติถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็นรู ป, ปธรรมเนี่ยนะคนที่สแสวงหาแสงสว่างเนี่ยทำให้มันสว่างสว่างขึ้นจะต้องเติมเชื้อเพลิงขนาดไหน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 แต่ถ้าคนมีปัญญาถ้าไม่มีบุญก็อย่างว่าคนที่มีบุญแต่ขาดปัญญาก็ยังไง ก, ก, ก็อับเฉาทั้งคู่นะท่านจึงสแสวงหาคุณธรรมสองประการคือบุญและปัญญาเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่จะเสริมบุญเพิ่มภูนบุญเนี่ยนะถ้าจะนับเป็นทวานพ้นกายวาจาใจไหมไม่พ้นพมันก็มุ่งที่จะเจริญคุณงามความดีกุศลทางกายวาจาและใจเรียกว่าดํารงมั่นอยู่ในสุจริตสประการพราะคนที่สแสวงบุญก็คือสแสวงหา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 กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตที่เป็นข้อปฏิบัติดําเนินให้ถึงต่อไปคุณธรรมสี่ประการของพระพุทธศาสนาทั่วไปคุณธรรมสประการของท่านคือท่านมีอธิฐานธรรมสประการเนี่ยนะท่านมีอธิฐานธรรมสี่ประการอยู่ในตัวคือท่านมีสัจจาทิฐานท่านมีอนะสัจจาธิฐานมีจาคาธิฐาน มีอุปสมาที่ฐานแล้วก็มีปัญญาที่ฐานท่านมีอธิฐานธรรมสี่ประการคือชีวิตของท่านดำรงอยู่ด้วยสัจจะดำรงอยู่ด้วยจากคะคือตั้งมั่นอยู่ด้วยสัจจะตั้งมั่นอยู่ด้วยจากคะตั้งมั่นอยู่ด้วยอุปสมะและตั้งมั่นอยู่ด้วยปัญญาเรียกว่าอธิฐานธรรมสประการสัจจะจากคะปัญญาแล้วก็อุปสมะเนี่ยนะอันนี้คือความดารงมั่นของท่านขณะเดียวกัน พุทธภูมิสี่ประการก็มีอยู่ในตัวพุทธภูมิสี่ประการก็คืออะไรบ้างพุทธภูมิสี่ประการก็คืออุตสาหะท่านเป็นผู้ที่ไม่เลิกราในการเจริญกุกศลมีแต่คิดเพิ่มพูนบุญกุศลอันนี้คือเรียกว่าอุตสาหะอย่างที่สองท่านมีปัญญาเนี่ยนะมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นเหตุแหง่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแหง่งความเจริญอะไรที่จะเกื้อกูลต่อไป ขณะเดียวกันท่านมีอวัิถานะคือตั้งใจตั้งใจมั่นไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงเสมอเนี่ยนะอ่าเรียกว่าไม่โยกไม่เยกบางทีคนที่เจริญกุศลเนี่ยนะถ้าทั่วๆไปเนี่ยบางทีมันงอนงันงอนง่นเหมือนกั น, น, น, นเลย อ, อ, อกุศลนี่มันก็ดีนะถ้าเพลียๆขึ้นมาเอชักไม่ค่อยดีละใช่หหลายคนบอกให้ทานนี่ดีไหมบอกดี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 ผู้อื่นทำทุกอย่างเพื่อให้ตนและผู้อื่นถึงความพ้นทุกข์เขาเรียกว่ามีหิตะจริย า, าเรียกว่าประพฤตสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นนะท่านท่านมีหิจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านมีหิ ร, ร, ร, ท ร, นะทหริท่านจึงไม่เบียดเบียนตนท่านจึงไม่ให้ตนทำบาปขณะเดียวกันท่านก็มีโอตตปะท่านจึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่ทำบาปทั้งหลายก็หิริอตตปะนั่นแหละ ฮิริโอตปะนี้เป็นเหตุแห่งคุณธรรมอย่างอื่นอีกนะสรุปทวนนะหนึ่งทหนึ่งคือกรุณาทรสองคือบุญและปัญญาทรรา3คือสุจริตสารรม4ี่คืออธิษฐานธรรม4ีรรมสี่คือพุทธภูมิสี่แล้วก็มีทรห้าอีกทรหม5ประการที่ท่านเพิ่มพูนอยู่เสมอคือทรชะไนจะเพิ่มศรัทธาได้ ศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็ขอให้เกิดศรัทธาที่เกิดแล้วก็เจริญงอกงามไพยบูร์กว้างขวางทำอย่างไรที่จะเพิ่มวิริยะที่ยังไม่เกิดให้เกิดแล้วก็เพิ่มวิริยะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเพิ่มพูนไพศาลทำอย่างไรสติที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดสติที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนเจริญงอกงามไพศาลเนี่ยนะ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 ปัญญาคุณธรรมอันนี้นี่แหละที่จะช่วยให้พระองค์ตรัสรู้ท่านสแสวงหาการเพิ่มพูนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจากกุศลธรรมเหล่านี้จากยานวิปยุทธ์เพิ่มให้เป็นยานสรัรมปยุทธ์จากอุเบกขาให้เป็นสมณัตจากเรียกว่าคุณภาพน้อยนอยให้เพิ่มคุณภาพแล้วก็บุญเหล่านี้ภัยบุญทั้งเบื้องต้นก่อนก่อนร กำลังทําแล้วก็ทําเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วหลังจากทําแล้วก็ตามระลึกแล้วก็เพื่อความเพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอบนกุศลเหล่านี้นะจากที่ทําเคยทําได้เล็กน้อยก็ทําให้มากยิ่งขึ้นจากเคยเจริญได้เวลาช่วย น, นิดๆหน่นนอยๆก็เพิ่มพูนเวลามากขึ้นขยายเวลามากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังขยายคุณภาพของกุศลเหล่านั้นให้เป็นกุศลที่มีคุณภาพประณีทยิ่งขึ้นขยายจากกุศลสสังขารเรียกเป็น อาังขาดิตอนแรกก็ต้องอาศัยคนอื่นชักชวนนานๆเขาก็ตั้งมั่นถึงขนาดว่าไม่ต้องพึ่งอาศัยผู้ใดก็ยังเจริญกุศลเหล่านี้ต่อไปได้อย่างมากมายจากกุศลเหล่านี้ที่เป็นกามาวจรเป็นปริตะพัฒนาเพิ่มพูนจนเป็นระดับมหคกตะตเพิ่มคุณภาพจนเป็นมหคกตะตแล้วก็มหักระตก็เพิ่มคุณภาพจากระดับปฐมฌานไล่ขึ้นเป็นทุติยฌ า, านตติยฌ า, านจตุทัชฌานเป็นต้น แปรสภาพจากธรรมะฝ่ายเสื่อมให้เป็นฝ่ายดำรงอยู่แปรสภาพจากฝ่ายดำรงอยู่ให้เป็นความพิเศษขึ้นแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะนิเพทะภาคิยะจนกว่าจะคู่ควรแก่การตรัสรู้มีแต่การเพิ่มพูนขยายภัยบูนให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนั้นคือสิ่งที่ท่านสแสวงหาสิ่งที่ท่าน เพิ่มพูนสิ่งที่ท่านเจริญก็คือท่านเจริญอินทรี่ห้านั่นแหละเจริญศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาพันถ้าใครอแอบแทรกตรงนี้นิดหนึ่งว่าเราทั้งหลายเนี่ยนะก็คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเจริญตามอริยวงเนี่ยนะวงของพระริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระประเจกพรพุทธเจ้าสาวกพรพุทธเจ้าพระริยาเจ้าทั้งหลายท่านก็เพิ่มพูนอินทรียห้า ท่านก็เจริญอินรี่ห้าจึงได้ถึงความพ้นทุกข์มันถ้าเราบอกว่าเลือกข้อปฏิบัติไม่ค่อยถูกว่าจะทำยังไงดีก็มาไล่ดูเช็คตรวจสอบเพื่อจะเจริญอินรี่ห้าถ้าอินรี่ห้าสามคีสมังคีการจักปริตตะเป็นมหาคตะจากมหาคตะเป็นอัปปมานะได้ถ้าเจริญตามนั้นได้ก็ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยนะหรือคุณธรรมอย่างอื่นของพระองค์ะนะธรรมะหมวดหก็คืออะไร พระองค์ม wow <known> ีอ <already> <sh> ัธยาศัยหกประการอัธยาศัยหกประการก็คือ1นท่านมีอโลภัตยาศัยนะคือมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อความไม่โลภขณะเดียวกันก็เห็นโทษของความโลภนะน้อมไปเพื่อความไม่โลภเพราะเห็นโทษของความโลภความโลภมีโทษอย่างไรนะอธิบายก็เรื่องยาวว่ากันแต่สรุปว่าท่านน้อมไปเพื่อเห็นโทษของความโลภเห็นคุณเห็นประโยชน์ของความไม่โลภ เห็นโทษของความโกรธแล้วก็เห็นอานิสงค์ของความไม่โกรธท่านจึงมีอโทศศทายาสายอโศสะบวกอัธยาศัยเรียกว่าอโทศศทายาสายมีอัธยาสัยเพิ่มพูนเพื่อเกิดความีเหตุผลไม่รู้จะโกรธไปทําไมเห็นโทษของความโกรธโดยประการทั้งปวงเห็นคุณเห็นประโยชน์ของความไม่โกรธโดยประการทั้งปวงเห็นคุณนัประโยชน์ของความไม่โกรธเห็นโทษพิษภัยของความโกรธ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 ก็น้อมไปเพื่อที่จะดับไฟคือราคะน้นอมไปเพื่อจะดับไฟคือโทสะน้อมไปเพื่อจะดับไฟคือโมหะความที่ท่านน้อมไปเพื่อจะดับไฟคือราคะโทสะโมหะอันนี้แหละเรียกว่าอะโลพัทยาศัยอโทสัตทยาศัยและอโมหัตทยาศัยอัทยาศัยเพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะเนื่องจากว่าท่านมองเห็นว่าเป็นไฟเป็นเหตุแห่งความเร่าร้อนแห่งกองทุกข์เป็นเหตุแห่ง ความเร่าร้อนโดยประการทั้งปวงในวัตตะแล้วก็มีอัธยาศัยอีกสาประการของท่าน น, นะอัธยาศัยสามนพนะนะอโลพาอโทสะและอะโมหะอัธยาศัยต่อไปของท่านคือเนคขมัตยาศัยนะนะอัธยาศันะนะ ย, าายเพื่อเพื่อที่จะออกจากภพเหนไเรียกว่าเห็นความวุ่นวายของวัตตะมีอัธยาศัยอันเดียวคือออกจากวัตตะ คิดอีกในหนึ่งนะบอกว่าพระโพธิสัตว์ขนาดท่านมีอัธยาศัยออกนะท่านทนอยู่ตั้งเสียสงไข่เนี่ยนะยจริงจริงถามว่าอยากอยู่ไหมบอกไม่อยากอยู่โดยประการทั้งปวงอ่ะแล้วทำไมยึงอยู่ล่ะก็ก็อย่างว่าคุณธรรมอันหนึ่งคือกรุณาเนี่ยบีบเอาไว้อย่าพิ่งเลยนะอย่าเพิ่งเลยไอ้ไม่อยากอยู่นะอยากจะออกเต็มทีแล้วล่ะเอียนเต็มทีแล้วล่ะแต่ว่าออกไม่ได้เนี่ยนะแต่เชื่อไหมว่าถ้าคนน้อมไปเพื่อจะผูกพันอยู่กับวัตตะเจริญบารามีไม่ได้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 บอกก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเนี่ยนะเรียกว่าเป็นบุคคลกลุ่มที่เรียกว่าพร้อมจะตายได้เสมอถ้าสํานวนว่าถ้ามีเหตุผลอันสมควรแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าได้เหตุผลอันสมควรที่จะสร้างบา ร, รมีท่านก็ตายได้เช่ น, น, เชนเนี่ยสาสะบัณฑิตเนี่ยคือพยากระตายเนี่ยได้เหตุผลอันสมควรก็ไม่เห็นว่าความตายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเนี่ยนะถามว่าทำไมความตายของท่านท่านบอกว่าไม่่เป็นเรื่องใหญ่โตคือท่านมีบุญถึงขนาดว่าไอ้ความตายไม่ใช่สิ่งที่ท่านกลัว